หนังสือเล่มนี้เอาไปอ่านอ่านมันน่ารุกล้านเขาพิมพ์ดีอยู่มีเนื้อหาสาระพ่อสมควรสำหรับพื้นฐานแต่สำหรับผูปฏิบัติจริงจจังๆนั้นก็อีกแนวนึงอันนี้พื้นฐานสำหรับอ่านเป็นแน้วท่างเพิ่นกระบอกว่านังสือเล่มนี้ออกไปทั้งต่างประเทศทั้งในประเทศผู้ที่ได้อ่านแล้ว โทรศัพท์มาบอกเขียนจดหมายมาบอกโอ้ตกรอคิดว่าจะคาตัวตายเพราะได้อ่านหนังสือเหลมหนีเลยก็รูซื้อกว่าแสงสว่างเขาสูจิตใจหนังสือชุดนี่มีประโยชน์มากขอขอบคุณผูที่จัดพิมพ์หนังสือที่ลงตาข้าวเนีบพนวายนังสือรุนอ่นนี้ว่านั้นหนังสือธรรมะที่หลวงพ่อแจกต่างกรรมต่างว่าละ พอามาน่นังสือบมีคุณนขาเด้หาสื่อในตลาดบมีหนังสือมี้หารถมีแต่นังสือพิมพ์แล้วก็แจกกันแจกในไฟผู้ไฟในร้ำมะแต่บางค น, นีจักเป็นไฟโบไฟก็บโบหูจังสีแล้วพอมาหอดหลวงพ่อก็แจาดะไล่ว น, นไปพอแจกไปแล้วก็นใดมากก็ย่นไปย่นมากมาเอาไปมากบม่มีผู้อ่านขายเป็นดีไซเ์ข้า ขายเป็นเศษกระดาษอืมป่วยใดบรูจักคุ้นค่าถนะิ่มมาลึกตึงนั่งแต่ตามไม่จริงนาจะเก็บไว้เพราะ อ, อ่านแล้วกเก็บไว้มองสูงๆมองเห็งพระมองเล็กน้อยยืมบัตรถึงใส่ถุงพลาสติกจะ ก, ก่อนจะคอยจะคอยเอาไว้บาทฮาจี่อ่านได้สังงง่งช่วงได้ว่างช่วงได้พักพรหรื่ อ, บอสบายเป็นไข่เป็นวัด ว่ได้ไปทําการทํางานยังคอยเอา อ, ออกมาจากถุงพลาสติกมาเกะมาอ่านมานศึกษาธรรมะเพราะ อ, อ่านแหล็เก็บไว้ผู้นิันแปลว่าผู้รู้จักคุ้นข่าในหนังสือหนังสือนี่มันโมแ ม, ะ ม, ะ ม, ะมะนหนังสืออ่านแล้วสีม้วนเป็นคํามกรเออเออเออเออเอเอโมแ ม, ะมะนต์นั่นเองพราะ อ, อ่านเข้าไปล่ะเป็นเครื่องชี้นําของชีวิต สี่น้ำทางด้านจิตใจของเฮาเฮามีความคิดอย่างไพรพ่อได้อ่านหนังสือเนี่ยเป็นทีบอกวิธีการคิดอย่างไรจึงจะถูกต้องทําย่างไรมันจะจะถูกต้องเฮาว่างตัวจังไรมันจะจะถูกต้องกับพอ่อขับแม่ขับพี่กับน้องกับว้งสาขานายาดเอ่อขับญาิมิตรสหายกับประเทศชาติบ้านเมืองถ้าอ่านเข้าไปแล้วเฮาจะหูจัก วิธีการดับเนินชีวิตของพวกเฮ้าหนังสือธรรมะเป็ น, นสัน้มมนบปรมาณอ่านเราลื่นเรื่องบันเทิงบปรมาณแต่ว่าอ่านเขาไปแล้วสบายใจรู้จักวิธีการเนี่ยให้พวกเฮ้าอ่านศึกษาเนะี่ยเก็บไว้ให้ดีหนังสือธรรมะอแต่และเหลมเบื้องโน้นเหลมนึงเป็นลอยจีดาบุได้รกระบุเขามันสื่อในตลาดแต่ผมไม่ขาย แต่หนังสือแต่ละเหล็มกระดาษเขากระดาษย่างดีโดยมากเขาก็พิมพ์กระดาษอาร์ตกระดาษรูปใส่พอมเพื่อออกมาแจกเป็นธรรมทานนี่แหละหนังสือของลงตาลักษณะจังสันและกระหม่อ ว, ว่านเป็นขมมหาเหมาะกับหลวงพอนะ่อหลวงพ่อผมจะเอากล้องวิดีโอมาถ่ายหลวงพอ่อเราจะให้หลวงพ่อเล่าเรื่อง สมัยหลวงพ่อขอยูบานตาดใหม่ๆเมื่อขอยูทีแรกเป็นจังไดผมอยากจะหูจัดในสมัยนั้นเพราะสมัยรุ่นปลายๆเนี่ยแปลว่าหลวงตาเนี่ยจะเริญมากแล้วพี่น่องคูดข้นขมากหลวงตาก็เถ่าแล้วแต่สมัยก่อนทไมธรรมะของเพิ่นเด็ดเดียวในหนังสือแต่พ่อ เท่ามากเลพังกระเชยบ่คอยบอกคอยว่าบ่าคอยหายให้คนแต่ก็ถึงอะไรก็ยังมียังมีแววในการดุดาหายให้คนอยู่แต่ก้อนเน่เป็นยังไนผมอยากจะหูเพื่อจะเป็นการบอกเล่าให้แกลูกหลานต่อไปพ่ายภาคหนาหลวงพอ่อเออได้อยู่แต่ว่าขั้นจะให้เบายัาง ให้ตั้งคำถามมาก่อนอยากถามเรื่องอยังหนึ่งสองสามสี่หาหกเจ็ดเห็นไปข อ, ขอมาขอหนึง่งจิถามเรื่องใดขอที่สองถามได้ขอที่สามถามได้ อ, อ, อ่านทุกอนเดี๋ยวหลวงพ่อจิตตอบไห้ฟังพอหลวงพ่อขอมาอยู่กับโลงตาตั้งแต่ปีสองพันห้ารอยสิบสองขอม้าบานตาดแต่สมัยท่าเป็นหิน กี่ฟนอยู่ป่ะนะขอมาตรงตายัางพระท่านมีอย่างสมัยนั้นสาร่าหลัง่ิยูในกนตีเตีย่ยแล้วก็พระทั้งหมดมีอยู่สิบหก์งสมัยหลวงพ่อขามาก็มีพระพลังสัเจ็ดแปดองค์พระไทจากนั้นก็พระไทอีกห้าหกเจ็ดองค์เท่าๆกัน พระไท่กระพระฝรังสมัยหลวงพ่อไม่อยู่แต่อยู่เดียกันด้วยความผาสุกหลงตาท่านก็ บ, บอกพระไท่ว่าเขาขามนาม้มขามทะเลมาเน้อจะให้เฮ็ดคือเฮ้าประเภทนีคือเฮ้ามันกระ บ, บราเพราะเขาเป็นชาติต่างชาติการอยู่ขนบธรรมเนียมประเภทนีกระบอคือกันเนี่ยที่เขาเฮ็ดอยู่เดียนี่ก็นับว่าดีแ ล, ล้วล่ะ แต่ว่าก็ให้ตัวช่วยเบิงเบิงกันเบิงน้ำใจกันหลงตาเบิ่ลก็สอนพวกพระไทยแะ้วก็พระพรังพเงิด น, น, นั่นอ่ะเปิ่ลก็อยู่แบบพี่ๆน่องๆอยู่น้ำกันฉันอย่างไรก็ฉันน้ำกันมดุดแต่เนี่ยมือเศ้าจสิงๆกานอาหารประเภทใดเพราะสมัยนั้นคนทั้งหลายก็โบจกจั๊กเี้มิถานาชาวบ้าน อาหารในขั้วอาหารในขัวก็คืออาหารโยมมั่นดาของเพิ่กับคุณแม่นอมแต่หลวงพ่อเข้าไปในขะุนแม่แก้วนะกับบันหวยทรายแล้วนี่แต่คุณแม่นมกับโยมมั่นดาเป็นลักมือนในอาหารอที่ฟรังฉันได้พระฟรังฉันได้เพิ่ก็บไหพระฟลังนี่ไปแจกพระฟลังนะพวกขนมขนมปังเนี่ยพวกไข่ ที่อาหารบะเพ็ดจากพระฝรังห น, นง้าเนี่แหละกรงตานี่พนมีเมตตาต่อพระต่อเน้นของเพลินฝรังก็มีเน้นขึ้นกันสมัยนะ่ะมีเน้นฝรังก็มีพระฟรังก็มีท่านปัญญา เ, เป็นพระผู้ใหญ่แต่พระท่านปัญญาเนี่เป็นพระผู้เฒ่าก็จริงอยู่แต่บวชที่หลังหลวงพอ่ออายุเพิ่มมากเพิ่มมากจากเมืองอังกฤษ พ่มาหรือมาบวชที่แรกเป็นบวชทั้งมหานีกายก่อนทันไปอยู่กับท่านปัญญานัณฐะต่อมาพ่อบวชกับวัดปากนา้ำวัดปากน้ำผ้าสีเจริญวัดหลวงพ่อสดจากนั้นเพิ่งไปอยู่อังกฤษพออยู่อังกฤษกลับมาอีกมาอยู่เมืองไทยจากนั้นมาขออยู่กับหลวงตาพออยู่หลวงตาเดีปีได้อสองปีจากนั้นเพิ่งก็เลยไปยัตติธรำมยุต บวชกับสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบันเนี่ยแหละเป็นครูนาคกับท่านเชอรี่พระฟรังชาวแคนาดามาในบวชปีเดียวกับหลวงพอ่อปีศูนย์แปดอนนี้คือคือพลมัญติปีศูนย์ปดต้องนับหนึ่งไมไ้เด้ที่เป็นพลเป็นมหานิกายนี่แปลว่าบวันนับะนับหนึ่งไม่ถ้าจะวันนับทั้งนิกายพ่อพลแก่พรรษาของหลวงพ่ออันนี้เป็นนับ ให้นับพรนสาธ ร, ร่มยุตปีศู น, นย์แปดาเยหลวงพ่อปัดบวชเดือนสามมาเลยพลพลันบวชเดือนหกนะหลวงพ่อก็แก้เขาเพิ่นสามเดือนพราะนั้นหลวงพ่อเด่นางนางก่อนบินทบาทก่อนหลวงพ่อปัญญาหลวงพ่อเชอรี่นะนี่แหละสมัยนั้นก็มีหลวงตาหลวงปู่บุญมี่หลวงปู่ลี่นั่นแหละการันต์กัมมี อาจารย์รรรรออร ท, 5, ท, 5, ท 6, ุนอาจารย์อาจารอาจารย์จอนหลวงพ่อก็เป็นองค์ที่หาที่หาที่ฮกมะแล้วก็ที่เจ็ดที่แปดก็ทองหลวงพ่อปญัญญาหลวงพ่อเชอรี่แลไรตั้งไหนแล้วลก็จากนั้นก็พระฟรังนี่แหละอยู่ด้วยกันแย้มเหมือเศร้ากันนี่แหละตื่นไม่พอแจงสว่างพ่อป๋าผ่าข้ออะไรกันพื่นองเพลิน่พื่นสลาของเพลินวั่ไหนคัดสลักจังสีได้วันไหนลุกเลกเคืองสี่ มีดตะลุ่งเที่ยนแย่เหมือนเศร้ามากเลย ก, กะลาบมกเผ้ า, าไปกะลาบมกเผ้ า, ม, ามันถูเป็นหนาเป็นหนาเป็นหนาต้องถูพืนสลากก่อนบินธบาต ท, ทําความสะอาดจากนั้นก็ช่วยกันปัดทั้งพระฝรั่งทั้งพระไทยเลยเนีล่งถูพืนเลยคุกเข้าถูผืนเลยเรียงนากระดานกันของมะพร้าตัดเครืองเลยพอตัดเคืองเลยขูดขูดขี่ขุยมันออกซะเลยกัอ เราก็ตัดกะลามันออกที่มันแข็งแขงให้มันเนินเช่นอยแล้วกันนั่ น, นอมมือจับเลยวาเนี่ยถูเลยเลี่ยงนากระดานกันเนี่ยแหละอันนี้ก็คือชีวิตประจําวันของพระย่มแต่เศราจากนั้นก็ไปบินธบาตบินธบาตสองสายเฮ้บินธบาตเนี่ยบอย่ยบอได้เลยพระที่จะไปหาเดินเกี้ยงครูกันบ่อได้ขั้นเพินเห็นในว่าเผอเผยไล่หนีจากวัดอีกต่างหาก องค์ไหก็ตามถ้าสูบบุหรีบ่อได้ย่ามบินเบาทแต่เพิ่นก็ บ, บ่กชันมากลงตาถึงที่เพิ่นฉันมากเพิ่นบช่ชันมากไปฮาเดินบินเท่าบาทย่า ห, ห่างกันเกินไปย่าให้ทีกันเกินไปทีกันเกินไปก็บอกให้ทีห่างเกินกันไปฮะแต่ว่าเพิ่ น, ล น, น ห, ล ง, งนห ล, งลงตาเนี่ยายางน้าหลังอแต่พย่างนําหลังลงตาอะไรย่าย่างไปก้อนออลงตาที่ยางน้าหลังยา่าง ก็บพ่วัาหน้าพองเพิินไปเลยเรื่อยละห่างกันประมาณสักสิบเมตรนี่ะห่างจากหลงตาประมาณสิบเมตรต้องเหลียวเบื้องทั้งหลังมนันออไปย่างไปต้องเหลียวเบื้องทังหลังบเมนต์ับหูรับตายางบเมนย่างลเือเบิงท้้งหลังมันห่างห่างจากหลงตาห่างจากหลงตาก็ค่อยๆพ่าวๆลงขึ้นมันไกลเพิ่งรีบไปอีกย่างไปต้องสังเกต แล้วก็พวกพระในห้างกันประมาณสามสี่หาเก้าเวลาปินทบาทเป็นยังยังเป็นยังสัน้นพอเวลาชาวบ้านเวลาเขาไปให้ไปหน้าเนี่มือเสาร์เวลาเขาเห็นพระแล้วเขาก็นั่งปนโน้มมือแหมของเธอเขามีงมั่วมีควาย จ, าจริงๆเขาเขาควายมัดไปทั้งขาแล้วก็ปะนั่งปนโน้มมือไหวพะระปนโนมมือพระคารุพระทะกคน กาว่าพระห่างกันบ่อนองหนึ่งยุผ่ผลองหนึ่งยู่ปีเอสัวนชาวบ้านเขาจิตโนบองค์นั้นได้เสริลุกไปไองคนั้นกําลังมากไปว่าพระบกคิปบอานเกินมาพระบกทิดบอ่านพระบ่งจักเพราะนั้นไปตรงไปไกล้ๆกันให้เขาประนบนมือทีเดียวแล้วก็จบให้ผ่านผ่านผ่านไปเลยพรอมันเป็นทิปไปให้ไปหน้าเขาลงตาสอนวัด ความละเอียดทีถ่วนอค้ากลับมากขึ้นกันต่างคนต่างมากมามาแบบปลีบเปล่งยางมาแบบตัวไผ่ตัวว่นนะาอแต่หลวงตากัน่งางเร็วขึ้นกันผี่น่องประชาชนคนชาวบ้านเขาเห็นเขาประนางนบที่เขาเดินผ่านก็เป็นพาขระมาเป็นกลุ้มบอยห่างกันเกินไปบ่อยทีกันเกินไปบ่อยคุยกัน ให้ภาวนาของไฟของมันอันนี้สมัยนั้นหลวงตายัางตาไหวได้หงไหายได้มองแพรบเดียวเท่านั้นอถ้าองค์ไรเฮ็ดโพถูกนั่นแล้วกลับมาเท่านั้นะม่ได้ฉันเข่าแล้วมือนะั่นแหมประเดชันเข่าเป็นดานแลว้วให้แล้วห้าอีกวันพระมันยังไงเนี่ยทำอะไรมันหนักวัดหนักรศาสนาเนี่ยนะเหลียวไล่หนีจากวัดน่นเนี่ย ไอ้ข้ามนี่หลยแปลว่าประจรับหมดแล้ไปแหม่กันแจกอาหารขึ้นกันแจกอาหารหมอหมอโล่เนี่ยกันหมอโล่มาแจกอาหารปุ๊บปั๊บมาจับหูคางเดียวเนี่ยเราว่างมือนั่นเหลือเพนเท่านั้นล่ะเฮ้เราบอกไม่รู้กี่ครั้งแหะพระ อ, องคเนี่ยพระเนี่ยมันทําไมจุบจับหูคางเดียวเห็นไหมแ่ ร, ร่องร่องหิวหูหูของท่านขคางเดียวซิมันเป็นยังไง จับต in yeah. so ้องจับ yeah. ท <c oughs> ั <laughs> oh ้งสองั้างหรือจับปากของมันอย่าไปจับหูหูมันแวะเข้าใจไหมโอ้หลวงพ่อไปไม่ๆม่จนได้เขียนเศีกรดาออย่าลืมเวลาแจกอาหารจับหม้อหูเดียวบันทึกประจมวันหมดแล้ไปโอ้เอาอิลีตรงตานี่หายคับคนอกไป เนี่ย่ดีวว๋หลวงพ่อใหยพระคู่มือนี่โอยเขาว่าหลวงพ่อใจดีพอแห้งเ แ, แต่่าถึงจังดลก็เถอนะพวกเาว่าหลวงพ่อใจดีพวกคู่บาวนี่เห็นหลวงพอว่อหนอยพะปานเห็นเสือกันนะวะท่ า, านผู้ใดกาลังสูบบุหรี่อยู่นี่่านเห็นหลวงพ่อมาจักสิถธิ์บุหรี่ใส่กละกำอีกวนนึไปเ้าหลวงพ่อยานไฟไปมือพระก็ทอกันวนไปพบหลีหลวงพ่อวนไป หลวงพ่อหายเลยหาสูบอย่างบุรีสูบพงพอไปสูบอย่นกุฏิ่นหาสูบยางแถววัดแถวว่าบุเมนาลยางเลาะวัดยาน้าผาเนะ่นี่แหละอันนี้หลงตาเนาะเวลาชันจังหันนี่คือกันเวลาจันยังหันเอาให้พร่อนกันเมื่อใดข้นเมื่ห ล, ลงตาจะหายพร่อนเอี่ห้พร น, น, นกับพวก พ, พลัง พอมือดีขึ้นดีมากบาลเลยเอาอกนั้นให้พ่อนี่สี่เป็นโอง่งให้พรอนี่บาลเลยโอ้ยตัวนี้ใจสิขาดทำอะไรแต่หลวงพอ่อยู่หันเดชบุญเนี่ยยู่หันสิบสองปีวันน่ะไปในสิบสีป่ปีหลงตาบุกเคยสี่ให้พ่อนั่นไปนับว่าจากในกระบุงเพราะว่าหลวงพ่อเนี่ยสวดปฏิโมกข์ใดเด้ส่วนหนึ่งสวดปฏิโมกข์ใดแล้วก็เสียงหลวงพ่อกัดเข่ากับนันไดในเวลาสวด ไม่ล่าหายพ่อนหายศีลหายพ่อนกนันบ่อนั่นแหละสี่ละเอา้าพระฝรังหายพอนพระฝรังหายพ่อนกับพระสาวฟรังเน่ยไม่ได้ไม่เอาเอ้าเอาไหมมาเนี่ยมาถึงเนียน่ย เ, เนี้ยบาดเลยไปถ่ายเนี่ยก็นเนีห้พ่อนกันกันเนียเนนน้ำกันสามองค์เอ้าเน่นให้พ่อนเน่นมันขยานพวกแห้งเนี่ยพกเขาวพรดหน่ยแลวบอกพิดหมถึงพวแห้งหน่อย เมืเ่อกล่าวอยู่ในข้อมไม่ได้เสียงดังดังออกมาเสียงดังดังบดดังบดถึกถึกบดถึกทหารอีกขึ้กันวนไป อ, อยะถาวาริวาหาไม่ได้มาลิอย่างไงรอเรือไม่ใช่เหรอนี่นยยะถาวาริวาหาปูบางทีงยะถาวาริวาหาปูราปลอปูอยังไงเป็นปูสชะลูเข้าใจไหมยะถา วารีวหาปูราปริปูเรนติสาคารังโอ้ขั้นมือได้เดยให้พ่อนเมื่อ น, นั้นกินเขาเ่าบวเสบแล้ววันนี้ไปเ อ, อเอาไปเอาหม่าบาทนี่ลุงตาบอกว่าเอา้าอกหนึ่งให้พรยถาอกหนึ่งรับซับพีบอกให้เน้นตอกันวัอนไปตัวนี้ครับต้อมันจับหัวไหลวันนี้ไปยถาวาริวา องค์นึงหมตั้งใจแห้งผดหมดสัพพีติโยวิวัตสันโตสัน อ, องหนึงสังโยกองค์นึงก็ต้องสังโยกตามนี่มาคดได้ยังไงคุณว่าเอาไหมคโอ้ยจนเข่าสิบูดข้าบานะ่าและมือนันว่นออกไปหัวก็ ห, วไไหัวปนใดเด็กอยากหวไไัวปนใดก็ก้มก้มนาไปก้มนะมันพ่อหลวงตาเอาจริงเดะ ลงตาเอาจิงล้วว น, นไปสิหัวบ่อใดเด็ดขาดหมไปขันหัวทีีหองหัวหาพ่อนอีอ้ขันองได้หัวี่สี่ให้องนั้นห้อีกบันนี้องนั่นเกิดญาขึ้นกันพาก้าวหัวมันบวชเลยแล้วแต่ตาเาก็ตตาง ก, ก, ก, ก้มน้ำไปก้มน้ามันนวไปปุดไหลต้นสันยังหแล้ว ต, ต้องคอยลงมาหัวถึงไต่างก่าเอโอโอ้ลงตาเอาจิงอีหรี่เนอไปขันที่เอาเลยเออ หนาเค็งจะปัดหมดเลเห็ดคือขึอ้น อ, อย่างเดีวมนเอาไปกรินพัน์ที่หายคนเอาไปโอ้ลงตาตาเขียวปัดอีกนางหากมันเอไปยบ่งหัวบ่อยอย่างเลยชนุันเอาไปเอีลงตาในว่างหมาดเนโหพอปันราชสีเราเอาไปอย่างพันธุ์ที่หายนคนนี่แหละพันศรค้นเลยบาทเานี่ยกับไปกูตีบาทนี่ก็ต่างคนน้นต่างทองแล้วบาทเนี่ย จะถาก็ายะถาวาริกกวาริวะหากวะหาละบัดเนี่ปารกิกก็ปาแล้วนะปุกก็ปุ๋แล้วบัดเนีเ่ยให้มันถูกเตรียมไปเตรียมมั่นเอาโนไปเอแต่ขนาดนั้นเถอะพ่อมาพอโอหนาเพลนกน็ยัดผิดคือเอาเอี่ยวโนไปเพราะมันยานเพลนเนี่ยมันยานโนไปเอก็จะได้สัตว์เนือแตะเนื้ อ, หอไหลมือนโ น, น, นไปอมันยานเพลนเนี่หลงตาเนี่ยคนสอนพระสอนเน้นสอนสอนคักเลยออ ตัวหนังสือเนี่ยเพราะว่าให้ถูกอักขรตัวซอชิงซอช่างเนี่ยออกให้ชัดวันน่ะเต๋รอร่เรื่อรอลิงเนี่ยตัวละอูตัวละอูเนี่ยให้ชัดเจนมุมเม็นทีเบากลุ่มๆกำๆกึ่งๆไปแล้วก็พันๆไปบ่อเอานะไปนี่แหละยังว่าตรวงพออยุหันโตเคยมีครูบาอาจารย์องค์ใดสีสอนแบบหลวงตา หลวงตาเนเอาอิรีสอนอิรอดูอีริให้อีริหันออกไปแต่สรุปเลยคืออยากจะให้ลูกนอ้องปองปายเพลินเป็นคนดีพระที่ดีเนีบาเนี่ยลูกน้องหรือ ว, ว่าพระที่อยู่น้าเพิินเน่ะมันมีแววตั้งแต่อยู่อยู่กับเพิินแล้วองค์ไหนจะไปหลอดองค์ไหนจะไปบอลอดมันเบิงหูเลยเด็กขันองค์ไหนเบิงเบิงอะยืด จ, จืดจะจขี่เกียร์หลังยาวเนี่ยเบิงเบิงไม่โหลดว น, น, นไปไปบอลหลอดไป แต่องค์ไหนรู้สึกธรรมักธรม่งรู้จักการรู้จักงานรู้จักคิดวัดขอวัดเอรับพระละกับมูกับเพลินอรู้จักการว่างตัวรู้จักการอช่วยพระละคิดทุระของวัดของว่ารับพระลนะนั่นแหละองค์นั้นไปหลอดอบางองค์ปัจจุบันเพิน่นทำท่านั่นเด้เป่าก็บอกกับมูกันละวะ่า บอกกูมูปัดมูไปว่าให้หลงตาฟังใช่ไหมป่าเนี่ยเฮ้ยผมมานี่ผมบอได้มากรับแขกได้คนหนึ่ะผมมาอยู่ศึกษาธรรมะผมบอได้มากรับแขกอยู่มาให้ผมไปเบิงกุฏิไปเบิงกุฏิที่พักญาติพักโยมไปเฮ็ดที่พักญาติพักโยมผมก็ไปเอียผมบอได้มากเป็นขี่ขาแขกบอได้มากเป็นขี่ขาแขกขีก่ขาคนเนี่ะ มาฮนี่ลงตาแดงยิ้นตอนนั้นแหละมันไผไปวอยเพลินฟังแต่ลงพรบววหอกแนวกว่ี่ลงพรแดงยิ้งจะไหนลงพก็บววหน่อไปพ่อยันลงตาหายมูนไปลงพรหักมูอเดอดถึงจะบอกอื่นบอกได้ยุ่ิแต่เรื่องสีบอกกับมูกับเพ่อนบววมันไผไปวอลงตาดงยิ้นทอนนั้นแหะเอิญมากะเนี่ยไปหนีเดี๋ยวนี้กจะเนี่คนมาหาเหาจันี่เสียเหาไปรับได้จังไหนู่เจ้า ก็ต้องมารับแทนเห่าอาจารย์ลยโย่เม่พันเต๋อโหหิเอนเดเป็นพระะของเห่าพวกท่านทาั้งหลายต้องเป็นพระลในการดูแลอย่างเช่เห่าไปดูแลได้จังไหนขันว่าบ่อยากเป็นพระละบ่อยากมารับใช้บ่อยากเป็นพระละเห่าหนีอ ย, ย่ายโยไปเดี๋ยวนี้ออกไปอ ย, ย่ยายโยโยทําไมหวายก็ไเดี่ายบาดหนีอิหลีแล้วหนีอิหลีว่นนอ้ไป บ่อให้อยู่แท้ๆมันออไปนะกานเ ด, ดไลไรล่ะเต็ดขาดมันออไปเพราะนั้นอยู่หันตองระมัดตองระวังคําผูดคําจาหน้าที่การงานต้องเบ่งเบ่งเพื่อการศึกษาอยู่เพื่อการศึกษาโบว์แมนยูแนวอื่นคันว่าเท่าจะไปแนวอื่นเออเท่าศึกษาแล้วเนี่ยจะมาอยู่วัดเท่าเนี่ยหลวงพ่ออินจะเหตุจังได้ก็ได้เฮียบอกจังได้ก็ได้มันอยูห่างเพิลนอะไรกนอยู่กำเพลนเนี่ยมันต้องระมัดระวังมั้ ความคิดกับระว่างการกระทํากับระว่งขําพูดกับระว่างกับหมูกับเพื่อนกับหยาิกับโยมกับขู่กับพ่นมาจีเอ้ามาเบอกกับหยาดกับโยมต่อหน้าต่อตาเพื่อนบ่อใดๆฮะมันะจะมาเป็นอาจารย์แถวนี้ดิฮะมันมากขวางตาในขวางเอโลกอยู่นี่บอกหนีอย่าอยู่อย่าไม่โยอ ย, อยู่ขวางอยู่แถวนี้จะเป็นอาจารย์ออกไปสอนน อ, นอกไปเอ มาอยู่นี่เมื่อ่าเพื่อการศึกษาใช่ไมัมยจะมาเป็นอาจารย์เตะอยากเป็นอาจารย์ไปออกไปทั้งนอกเนี่ยมาหาแขงอยู่นี่ไปโอ้หลงตาในเลี่ยเลี่ยมมากไม่หลายอย่างเลยวันโนไปแพ่วภาวน้ำโอท่านนั่นพวกเข้าเสือเ ส, สาาือซาซาเนี่ยวันโไปขมเด็กละนี่แหละมีมากไมยที ที่คนที่ถามมาเนี่ยหลวงพอบอกให้ฟังได้ได้เลยอ่ะคิจวัดคอวัดของหลวงตาที่อยู่ในโลกหลวงตาสมัยนั้นเนี่ยคือบอกในมุ่งไ ห, งหนไเอาออกไในมุ่งสอนเน้นบอกในมุมงนาที่การงานบอกในมุ่งในท่าความพากความเพียรบอกในมุ่งการฟังธรรมเทศนาของเพิินบอกในการศึกษาบอกจังสี่หรือกเกี่ยวกับญาติกับโยมว่างตัวจังไดรหลวงตาสอนมัดจะถอนก็ กระทั่งจนรับจตุปัจจัยเพิ่นลับมาแล้วเพิ่นเห็ดจังไหนเพิ่นห้คนจังไหนเพิ่นสั้นเชิงเนี่ยหลวงตาบอกมัดทุกอย่างแลว้วนอไปเนี่ยแหละคั้นปฏิบัติตามที่หลวงตาสอนหลวงตาบอกนะโอ้เออกรมเด็กเลยเออเรี่ยมชั้นเชิงความรอบขอบสติปัญญาเออหลวงตาบแมแทธรรมดาเป็นพ่อแม่คู่บาอาจารย์อัจฉริยะจริงๆวันออไปสรุปแล้วนะ ที่บรรยายลงตาลไปเนี่พวกเฮาคงจะ บ, บริสันเขาเอ่ะรับพรนําวันนี้นะ